ธ ร, รมะจากชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่สําคัญที่สุดและมีคุณค่าที่สุดเราควรจะใช้วันเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งของชีวิตเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดเราทําไงให้ใช้เวลาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งให้เกิดประโยชน์นั้นก็คือการมีชีวิตอยูอ่ด้วยการภาวนา ที่มันรัดสั้นง่ายแล้วก็เห็นผลเร็วอย่างเช่นว่าการมีสติมีสมัมผัสัญญะดูจิตดูใจของเราเนี่ยทั่วมีประโยชน์มากมันเป็นช่วงสุดท้ายของการทำกรรมฐานเลยก็ว่าได้การมีสติดูธรรมชาติของจิตดูพฤติกรรมของจิตให้มันสนใจเรื่องจิตมากๆ เราจะได้เข้าใจเรื่องของจิตเรื่องของใจเราแล้วก็ฉลาดนะเรื่องจิตใจเราไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนหรอกก็เอาจิตของเราเนี่ยมาเป็นครูสอนทรรให้กับเราเราจะเรียกว่าอาจารย์ใจอาจารย์จิตก็ได้มาสอนธรรมะให้เราฉลาดให้เกิดสติเกิดปัญญานะถือว่าเป็นประโยชน์และมีคุณค่าเป็นในเวลาที่เหลือของเรานั้นหากเรา เข้าใจเรื่องของจิตใจแล้วหรือเราอาจอาจจะไม่เข้าใจเรื่องจิตใจเราเองก็ตามน่ยอาจจะดูไม่ทันหรืออาจจะไม่มีสติคมพอที่จะดูใจเราได้นั้นอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังเกิดประโยชน์กับการทําภาวนาคือการทําให้เรามีสติมีสัมผัจัญญะได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับความตายที่จะมาถึงเราในยุคไม่ช้านี้ ือว่าเป็นช่วงที่เป็นประสบการณ์ของชีวิตที่สกคัญที่สุดของทุกๆคนที่เกิดมา